นะคบคนชั่วเนี่ยอันนี้เรื่องแรกสองสุราสุราจะมาก่อนสุรานี่จะเป็นเป็นนายของทุกอย่างเลยจะเป็นนายของทุกอย่างเลยเป็นนายกิเลสมันสั่งได้ทุกอย่างสุราเนี่ยถ้าดื่มเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่เพืินพรมแดนมันร้องอ่ะนะใครจําได้บ้างหนึ่งกงอะไรนะ หนึ่งกงนงนุตใช่ไสองกงพุทธวาจาสามเริ่มดีใช่ไหมสี่เริ่มว่าห้าเริ่มเมา <c oughs> เป็นได้ทุกอย่างเลยครับคราวนี้เริ่มแรกนี่กินใหม่ๆนี่เป็นเสือนะครับเป็นเสือโอ้โหมึง่งนพผดไม่ถกูกหัวโุมทำอะไรไม่ถกูกตาดเละนะกัดไม่เลือกเลยนะ เป็นเสือนะเป็นเสือเป็นช้างก็เป็นนะช้างก็เป็นพอก็คืนเนี่ยพอเราดื่มสุราพอเสร็จปุเขาจะปิดร้านนะนะจะปิดร้านเลยร้านไหนที่เราไปเรียกเนี่ยถ้าไม่เปิดนะร้านนั้นพังพัทงทุกร้านนะ พัทงทุกร้านต้องเปิดนะถ้าได้ยินเสียงนี้ต้องต้องเปิดถ้าไม่เปิดร้านพังขนาดนั้นนะอันนี้อันนี้พูดเรื่องประวัติย่อๆก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอันนั้นตายไปแล้วนะอันนี้อันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะในสิ่งที่มันทำให้คนเสียเนะนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสุรานี่แหละแล้วก็ทำให้คนดีด้ยนะสุราเนี่เยเราเราจะพูดให้ฟังนะ ทำให้เป็นเสือเป็นช้างเป็นหมาผมสุดท้ายเป็นไส่เดือนเมาสุดๆไปไหนไม่ไหวนอนคุกขี่ดินเลยเป็นไส่เดือนเลยสุดท้ายเมาสุดท้ายนะไปไหนไม่ไหวนอนคุกกับขี่ดินเลยนะไม่ใช่หายุมงานคุกฝุ่นนะไส่เดือนคุกฝุ่นสุดท้ายนะเป็นได้ถึงขนาดนั้นนะ เป็นมาทุกอย่างนะสำหรับผมเองนะไม่อายนะในชีวิตของเราเนะี่ยไม่อายประสบการณ์เยอะในเรื่องของการทำดีก็เยอะการหลงไปทำความชั่วก็เยอะนะก่อนที่จะออกจากตรงนั้นมาได้นะแทบเอาชีวิตไม่รอดกว่าจะออกจากกลุ่มของพวกที่มีอิทธิพลออกจากตรงนั้นมาได้เนะ พออายุยี่สิบปีเนี่ยออกมาอายุยี่สิบปีมาคิดถึงพ่อถึงแม่เห็นพ่อเห็นแม่ลําบากไปไหนมาไหนก็ต้องตามเราขึ้นทางอําเภอนี้จะมีชื่อเป็นที่คนที่หนึ่งเลยทางอําเภอนะเป็นคนที่หนึ่งเลยมีเรื่องอะไรต้องต้องสืบหาเราล้วนะนะแต่ว่าลุงเป็นกำนันนะ ช่วงนั้นพกพี่น้องพวกอะไรก็เขาก็เป็นคนดีหมดแหละแต่เราเรามันมาเสียอย่างเดียวคือไปคบกับเพื่อนที่เป็นพวกนักเลงพวกเป็นเตือสิงกระทิงแรกก็คือหลงทางไปอะหลงทางไปพอมาถึงอายุยี่สิบเราก็มาคิดถึงว่าเห็นพ่อเห็นแม่ลำบากแต่แต่ผมเองเนี่ยไม่เคยทำให้พ่อให้แม่เนี่ยต้อง เสียใจในเรื่องของการจะมาเถียงพ่อแม่เถียงอะไรไม่ไม่ไ ม, มีแต่จริงๆแล้วรักพ่อรักแม่มากนะรักพ่อรักแม่มากแต่ว่ามันมันก็รักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะบางชีนะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนปุ๊บนี่เราถึงที่เลยเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะดื่มสุรามันจะเสียหมดการพานันสามวันสามคืน ในวงนะถึงเริ่มแรกเนี่ยมีนะเป็นยักษ์ก็เป็นนะใครเคยเป็นยักษ์มั่งลังอยู่เนี่ยยักษ์เลย <c oughs> ยักษ์นะ <c oughs> จะไปคอยยักษ์อย่างเดียววงแตกนะบางทีอะวงแตกเลยนะเราไปยักษ์เนี่ยเขาก็เถียงกันนะเถียงกันคนนู้นคนนี้มึงยักษ์แล้วมึงคนงนี้ เราไปสนเ ร, เรายักพวกเราเราเฉยอ่านะพอผิดเราเราเฉยนะเราไม่จ่ายนะพอทุกจัมือมามามามานะอา่าเป็นยักก็เป็นนะก็เกิดเรื่องกันในวงก็เยอะนะทุกอย่างกลางคืนนะเที่ยวกลางคืนก็เหมือนที่บอกก็คือไม่หลับไม่นอนร้านไหนไม่เปิดนีพังนะบงทีตีสองตีสามนะในช่วงของ วัยรุ่นนะมาอายุยี่สิบปีเนี่ยจะมามาคิดอยากบวชคิดอยากบวชคิดอยากบวชแทนคุณพ่อแม่บอกพ่อบอกแม่ว่าอยากจะบวชพ่อแม่บอกว่าไม่มีเงินจะบวชยังไงไม่ไม่มีเงินสักบาทนะแต่เราก็เป็นคนขยันนะเป็นคนขยันก็คือทำงานพึ่งตัวเองมาโดยตลอด ไม่ไม่ไม่เคยขอพ่อแม่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังยังมีเงินนะยังมีเงินมีทองอยู่ห้าสลึงตือทองไว้ก็เลยเอาทองเส้นนั้นให้ให้พ่อไปขายแล้วมาบวชชีวิตเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งอายุยี่สิบปีเริ่มเปลี่ยนนะลุกขึ้นได้ในช่วงที่เราบวชจนมาอายุยี่สิบ เปเป็นทหารเริ่มกลับไปที่เก่าอีกเป็นทหารช่วงนั้นพอดียวนแตกพอดีที่จันบุรีนะ่ะอาตาดแบบงอบก็เป็นเป็นทหารออกชายแดนอยู่ที่นั่นนะชีวิตโชคโชนนะจานี่เรียกพี่จานี่เราเราต้องเป็นลูกพี่จาาขนาดนั้นนะ แต่มาะแล้วจ่าก็จ่าเนี่ยไปจะไปทําบัตรจ่าให้เราเลยทั้งทั้งที่เราเป็นพลทหารอจ่าที่เรียกเราพี่ไปไหนให้เราออกหน้าอวันหยุดเนี่ยวันเสาร์วันอ า, าทิตย์เงินสักบาทเราไม่ต้องควักเลยจา่าน้องจา่าพาเราไปเลี้ยงร้านอาหารจะไปร้านไหนพี่จะไปร้านไหนตั้งแต่จันบุรีรไปตั้งแต่ตาดถึงจันบุรีนะ นะพาไปอ่ะพอพอวันหยุดนะออกจากตรงนั้นมาพอมีวันหยุดปุ๊บจะออกนะเริ่มตั้งแต่ตอนแต่แต่ไม่เคยไปทำร้ายใครก่อนนะไม่เคยไปทำร้ายที่เขาไม่ทำผิดก่อนไม่เคยไปทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่ทำผิดนะพอช่วงนั้นก็พอบวชมาเนี่ยช่วงที่เราบวชเนี่ยช่วงนั้น ไม่มีกูบาอาจารย์ที่จะคอยอบรมสั่งสอนเราแบบนี้บวชสวดมนต์เก่งที่สุดในวรรดาพระยี่สิบกรูปเนี่ยเราเราบวชก่อนเขาแล้วก็เพื่อนที่บวชมาทีหลังเนี่ยจะสวดมนต์สวดมนต์กันไม่ได้ครนี้เราบวชเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอหลวงตาเ จ, เจอหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสเก่งมาก ใครเข้าไปในวัดนี่ไปดูหมอนะชะตาขาดทุกคนชะตาขาดทุกคนแล้วต้องต่อชะตาสะระเข้ต่อชะตาด้วยเรานี่แหละเป็นรองเอพื่อนก็บอกเอาเลยท่านเอาเลยท่านเอาเลยนะสวดสวดมนต์สะระเข้ต่อชะตาเนี่ยในมนต์พิธีเนี่ยอไปจนถึงอะไร อสัพพะทุกสัพพะโสกสัพโลกสัพะภัยอะไรนั้นไปหมดแล้วทั้งหมดเลยนะนะเราเป็นหลองแล้วก็ได้ดีนะนะใครมาก็มาต่อใครมาก็มาต่อนะแต่เราเราก็คิดว่าเอ๊จีวิตของการเป็นผ้านี้มันมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอสวดมนต์เก่งบินเท่าบาทอืมแล้วก็มีกิจนิมนต์ไปสวดผีนะ มันมีแค่นี้เหรือชีวิตของการเป็นพระเนี่ยแต่ช่วงนั้นมันไม่ไม่รู้นะไม่มีตัวแปรแบบนี้นะพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาอรหังอะไรไม่ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าแปรเป็นพระอะไรเลยช่วงนั้นนะ่ะที่บวชช่วงปีสองแปดนะ่ะไม่ไม่ยังไม่มีหนังสือแปลออกมาม า, มากนะทางทวัตนอกนอกนอกนนอกจริงๆไม่มีนะมีแตม่มนวิธีเล่มเดียวไม่รู้เลยเราก็คิดว่ามันเป็น มูลขังทั้งหมดเลยคิดว่าเป็นมูลขังทั้งหมดสวดเลยบทนั่นก็ขังบทนี้ก็ขังสวดแล้วสวดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีงานทำใช่ไหมการปฏิบัติก็แค่ทําวัดเช้าทําวัดเย็นแค่นั้นเอานั่งสมาธินั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่านั่งแบบไหนก็นั่งเฉยเฉยนี่แหละอืมนั่งเฉยเฉยพุดโทไปนะไม่รู้เรื่องหรอกพุดโทเอาใจไว้ตรงไหนอ่ะ ใจอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องนะแค่พักเดียวนะอันนี้ในการบวชจนสอบนักวกะนักทมตีนะก็เก่งนะเป็นคนที่มีความจำมีอะไรดีนะก็เรียนเขาบอกให้เรียนก็ต้องเรียนนะก็สอบนักทมตีสอบทำตีได้มันไม่มีอะไรนะ ในชีวิตมันมีแค่นี้นั่นไปนมาก็เลยอยากศึกนะอยากศึกออกมาช่วยพ่อช่วยแม่ก็ลาสิกขาออกมานะลาสิกขาออกมาก็ชีวิตเริ่มมันก็ดีขึ้น่ะนะพอเราบวชบวชออกมาเนะี่ยเขาก็เรียกว่าไอทิศไอทิสนะตอนนี้เป็นไอทิสนะไม่ใช่ไอเสือเปลี่ยนจากไอเสือมาเป็นไอทิศนะ นะพอช่วงนั้นก็มาทําช่วยพ่อช่วยแมย่ทํามาหากินนะก็เรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่า เ, เรื่องการพนันก็เลิกนะช่วงนั้นแต่บุหรีสูบนะบุหรีนี่สูบจัดอนะทั้งเหล้าทั้งบุหรีนะนะจัดก็เลยนั่นแหละพอมาเป็นทหารก็เรียวยิ่งจัดมากเข้าไปทั้งเหล้าทั้งบุหรี่กลับคืนมาที่เกาหล จนได้มามีครอบครัวอายุ22ปี20 23ปีนะพอมีอครอบครัวก็เริ่มเริ่มมาตั้งหลักอีกตั้งหลักใหมก่กนะ็เลิกนะเล่าแต่บุห ร, รี่เลิกไม่ได้นะเริ่มมาเห็นตัวเองว่าเป็นทาตรับใช้ของกิเลสช่วงนั้นตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มเรามีเริ่มมีครอบครัวเนี่ย คราวนี้พลังของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยความโลภเนี่ยจะเยอะมากอยากจะตั้งหลักอยากจะมีเหมือนเขาอยากจะได้เหมือนเขาเอาทุกวิถีทางนะทำงานเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยตีสี่นะตีสี่เนี่ยตื่นมันพัลเลยเพราะว่าเราเคยบวชพาตื่นปุ๊บนี่เราจะออกนะออกไล่ก่อนเขาเลยเพราะว่าเราทําไร่นะทําไร่ทําสวนจะไปกินข้าวที่นู่นเลย ที่สวนอบ้านบ้านอยู่ในหมู่บ้านจะออกก่อนเขาเลยทำงานแข่งกันนะเริ่มนี้ช่วงนั้นเริ่มเอางานอย่างเดียวเอางานเป็นหลักไม่กี่ปีประมาณอายุ20 28ปีผมเนี่ยตั้งหลักได้เลยมีทุกอย่างที่ก็มีม า, มากกว่าเขามีรถอะไรต่ออะไรมีครบหมดเลยมี ม, มีมีมากกว่าเขาบ้างเถ เรียกว่าเป็นคนมีฐานะในหมู่บ้านคราวนี้เริ่มมีฐานะมันเป็นไงครับนี้เพื่อนก็เยอะนะเพื่อนเข้ามาหาเราหวังจะมาพึ่งพาใส่เราเข้ามานะคราวนี้เพื่อนคนระดับนะคราวนี้มาก็มีต่ในระดับหมู่บ้านนะระดับหมู่บ้านเข้ามาหาเราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเข้ามาหาเราจะเป็นอบอตอเป็นอะไรเข้ามาหาเราแล้ว ให้เราช่วยเริ่มจะมีเพื่อนมีฝูงเป็นนี่ล่ะช่วงเนี้ยเนี่ยตัผมจะมาล้มตอนนี้แหละมาล้มเพราะมาคบเพื่อนอีกสองคนแล้วนะหนึ่งเริ่มแรกออกมาได้แทบเอาชีวิตไม่รอดที่สองมาคบอีกทั้งทั้งที่เรารู้นะว่ามันแต่ว่าเราก็ว่าเพื่อนดีเนาะเพื่อนมันดี่นะก็มาคบกัน ไปมาหาสู่อะไรเพื่อนจะเยอะๆนะามากินมาอยู่ไปทํางานทําการอะไรได้วยอยๆช่วยเหลือกันนะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเราช่วยมันหาเสียงอนะไรเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเริ่มมาช่วงนี้นะมาช่วงนี้เรานะอันนี้พูดอย่างเปิดอกเลยไม่อายนะ เพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อรู้ไม่ทันก็เอาเมียกันไปกินชีวิตผันเลยครับตัวกเก่าๆกลับมาหมดเลยไอเสือเริ่มกลับมาอีกแล้วคนะ่าได้อยาไม่ได้ช่วงอายุ29 30ปีเริ่มแล้วกลับมาเหมือนเดิมอีกอ่นะ เริ่มแรกเนี่ยเริ่มมันยาวายาวย่อๆเราเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากเพื่อนคนนี้กีดเลือดเพื่อนทุกคนต้องกีดเลือดนะต้องสักเคนะอ่านะจะเป็นเพื่อนกันให้ตายด้วยลูกปืนนะตายด้วยคมหอบคมดาบตายหาตายโหงมากกันใะช่ไหมกีดเลือดหยดใส่เหล้ากินกันเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊ บ, บอินแล้วก็ต้อง ให้คนโตเนะี่ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยสักขีให้อ่าสักขีนะอ่าี่ต้เลยตุ๊๊ตุ๊บ ต, บ ต, บ ต, บ ต, บตบเอาอามือไฝกันเลยนะอฮะเชื่อใจเพื่อนเรียกว่าตายแทนกันได้อ่าตุหญ่บ้านผู้ช่วยเป็นเพื่อนกันแล้วแหะโอตัวนะระดับอะาคราวนี้ชีวิตที่จะผัน ก็คือเราเป็นคนไว้ใจเพื่อนนะ่ะไว้ใจเพื่อนบางทีเราไปทำงานข้างนอกนะ่ะเราที่บ้านมันเป็นร้านขายของเป็นร้านใหญ่นะ่ะทาไปมามีอะไรนะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราไปหาเงินข้างนอกเราเป็นผู้รับเหมานะ่ะช่วงช่วงนั้นไปรับเหมาที่ปราจินบุรีปราจินบุรีก็ไปที่ระยองก็ไปไปรับเหมามีลูกน้องไป ไปเป็นเป็นสิบแหละคือไปรับเหมาฉีดยาอ้อยให้เขาเรามีเครื่องมือทุกอย่างเราลกน้องไปแล้วก็นี่แหละาไม้ระดับหนึ่งป่าเตียนไม้มาค่านี่ใหญ่ขนาดไหนนะเอาลงจนจนได้อะมะค่าพวกที่เขาจับกันทุกวันเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพยุงเนีน่ทั้งพยุงประดูชิงชันเนี่ยตะเคียนน่ะเาบอกกรดุกมากนะไป ม, มีเคก้าเสพ นะตะเขียนก็ตะเขียนเถอะนะมดนะเก็มีลูกน้องนะป่าไม้ก็ลูกน้องเรานะตอ น, นั้นนะเออกกอ้าวอยากกินอะไรไปอยากกินอะไรไปแต่จะไมายุ่งนะโอ้สารพัดนะในชีวิตอันนี้เป็นธาตุนะเป็นธาตุของกิดเดท็ทั้งหมดเลยนะธาตุของจิดเด็ดอยากกล่ําอยากไว้พอมาระดับลม้มครั้งที่สอง คราวนี้ไอ้เสือเริ่มกลับมาไม่ยอมแล้วคราวนนีะ้พอมารู้ว่าเราอุตส่ากันนะเขาลงชื่อเราไปทํางานอยู่ข้างนอกเขาลงเขาเรียกว่าใบปิวออกมานะเราอยู่ที่ระยองเอาใบปิวไปให้เราดูว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่สมควรอยู่มันทําประพฤติตัวไม่สมควรแม้แจะมีเพื่อนอะไรนะเขาลงไปเลยท่านนะต้องเอามันออกนะคราวนี้เขาก็มาลงมารวมกันจะเลือกตั้งใหม่ เราก็มาอ่านนี่มันใครวะอืองานดูเอ้านี่มันมันชื่อเมียเราดิวะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเฮ้เราก็ไม่เชื่อนะมันกินเลือดกินเนื้อกันแล้วมันจะกล้าขนาดนั้นหรือวะอ่เราก็กลับมาพอกลับมามันมันก็มาหาเรานะเฮ้ยเพื่อนอย่าไปเชื่อเขานะมันลงไม่พิวให้มันเกียดอู้อะไรอะไรต่อพูดกันนะเฮ้ยเด็กกูเองมันจะเป็นยังไง มันเรื่องของกูเนี่ยมันไม่ เ, เรื่องของชาวบ้านก็ไปประกาศช่วยเพื่อนอีกนะเขาไปลงคะแน น, นนั่นกันนะ่ะเขาก็เชื่อเราใช่ไหมเพราะเราเราเป็นเนี่ยไปกันให้เขายิกเลยได้เป็นครั้งที่สองอีกผู้ใหญ่บ้านขนาดนั้นนะเราไม่เชื่อนะเราคิดว่ามึงกินเียรตเลือดกิ น, ก น, ก น, กนด้วยกันแล้วมึงไม่กล้าทรยศกูหรอกเพื่อนน ะ, อะพอได้เป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเราก็กลับไปทํางานอีกจ น, นจนว่า ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกมันโง่แท้ไอ้นี่มันทําไมถึงโง่แท้มันเป็นควายหรือไงเขาบอก <c oughs> <c oughs> มันเป็นควายหรือไงเขาเอาในที่สุดเราได้มาเห็นนะเ ร, เ, ร เ, รเราได้เราได้เราได้มาหลายปากหลายปากหลายปา ก, าปากพ่อแม่พี่น้องอะไรต่ออะไรเขาบอก พ, พฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนไปนั่นไปนะมาโอ้นะเขาหนี้มันมายัางไงแล้วนะเรื่อง เก่าๆมันเริ่มคืนกลับมาคราวนี้เริ่มแล้วคราวนี้เริ่มคิดวางแผนฆ่าแล้วคราวนี้ยเริ่มวางแผนฆ่าแต่ก่อนที่จะฆ่าพอดีนะไม่รู้มีบุญนะมันมีบุญเก่าหรื อ, อยังไงที่เราเคยบวชมาแล้วก็พ่อแม่เคยทําดีมาพ่อพ่อเนี่ยตั้งแต่จําความได้ไดพ่อนี่ไม่เคยทําชั่วเลยนะไม่เคยตีใครทะเลาะใครไม่เคยดุนตูราอารวาสใคร พ่อเนี่ยจะสวดมนต์ตลอดเลยตวดมนต์ตกเย็นมาก็จะสวดมนต์โยมพ่อเนี่ยนะแล้วพอช่วงที่ว่าเราจะกวางแผงฆ่าเนี่ยที่จะฆ่าเขาเนี่ยพอดีช่วงนั้นเพื่อนเพื่อนน่ะไอ้น้อยชื่อไอ้น้อยไม่ใช่ไอ้น้อยเสียคนนะแต่ตอนนี้มันตายแล้วไอไอ้น้อยเนี่ยมันถูกหวยถูกรัตตอรี่ราวันที่หนึ่ง ช่วนั้นหกล้านอะหกล้านแต่ว่าบุญมันมีแค่สามล้านก็มันเสียดายเงินเงินร้อยนึงเนี่ยมันเอาไว้ซื้อเหล้ากินสี่สิบาทมันเลยได้ซีกเดียวดูที่นั่นเหล้านะถ้างั้นมันมันได้หกล้านนะมันบอกว่ามันมีเงินแค่ร้อยเดียวก็เอามาให้ขายให้มันนะมันก็เลือกเลือกเรียกเพื่อนมีคนหนึ่งเฮ้ยมันนี่มันนี่ไอ้นั่นก็มีเหมือนกันไอ้นั่นก็บอกเออ แปสิบบาทนี้เราไวซ้ไว ซ, ไวซื้อเราไว้ซื้อเหล้ากินกันเป็นขวดหนึ่งล้ว เ, เอาโคลาซี่กันแล้วกัน <laughs> มันก็เลยได้โคลาซี่คราวนี้พอมันถูกหวยปุ๊บมันก็ออยากจะบวชแก้บนไอ้เราก็มาทํางานรับเหมาเป็นช่างปูนที่บ้านเขาเรียกว่าคารับเป็นพ่อเลี้ยงไปเป็นพ่อบุญธรรมนั่นแหละคนนั้นคาักษ์เรามากะพ่อยินเรียกก็พ่อยินอยู่ข้างวัด ตกเย็ยนมาเพอเลิกงานปุ๊บนะเขาก็เลี้ยงนี่แหละเลี้ยงเหล้านะมทมเนียมเขาแล้เราก็ขวารถได้ก็ออกมารงพยาบาลมาเฮเขามีงานอะไรเสียง อ, อยู่เขาจัดงานอยู่ที่วัดพอดี่ผ่านมาเจอไอ้อน้อยพอดีลเลยไอ้อน้อยเดินออกมาปากทางวองวองมองนี่มานี่มานี่นนขเขาว่าเฮ้ยมาบวชด้วยกันไหมเ้าว่าเฮ้ ย, ะยจะบวชได้ไงไงก็คิดนะ ตอนแรกยังไม่คิดว่าจะบวชพอรอบที่สองนะเหล้าหมดสองขวดแล้วอันนี้เหล้าพาดีนะกว่ากว่าที่สองมาอีกนะออกมาซื้อเฮ้ยเอาเอะนะเดี๋ยวกูเป็นเจ้าภาพเองค่ะมันมันนี่นะหนึ่งกงลงรุศสองกงพุทธวาจาจสามกงเริ่มดีสีห้ากงเริ่มเมาแล้วคราวนี้เอาวะนะอืม เอ้ดังนั้นเดี๋ยวไปบ้านกูกูเลี้ยงเต็มที่อะไรคืนเนี่ยอืมอครนี้จัดงานอยู่ที่บ้านรับปากเขาแล้วนี่นะพอไปนัน่นไปพูดให้พ่อเย็ยนเขฟังเออเดี๋ยวพ่อเป็นเจ้าภาพให้ก็ว่าเอาเอดีดีดีนะพอได้ที่แล้วกินเต็มที่เลยวนันนี่โอ้โหครนี้เป็นหมาเลยไนะป น, นอนกับหมานะไปพอเสร็จจากบ้านเพื่อนมาปุ๊บพ่อแม่ยังไม่รู้ว่า เขาบอกว่าถ้าจะบวชต้องไปขอพ่อแม่ก่อนก็เลยเมาเอ้ยไม่ยากพ่อแม่ไม่ยา ก, ไ, ยากไปไปไปไปเขาก็หาชุดขาวมาเลยเพราะว่าเรามันเริ่มเข้ารอยเก่าแล้วไงหมู่บ้านชักจะเริ่มเดือดร้อนแล้วตอนนั้นนะ <laughs> <laughs> จับไปหาชุดขาวไม่ให้เราใส่ชุดเนี่ยชุดขาวเนี่ยชุดนาคามาให้เราใส่ไปเลยพาเอ้ยมึงพากูไปหาพ่อแม่ไปเอาารถพาไป ไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่เขไม่รู้จะพูดไงดีใจว่าลูกจะบวชออไปไ ป, ไปงอกแงกงอกแงกก็เข้าไปหาเจ้าอาวาสเจ้าอ า, าวาสเฮยมาอย่างไงวะเนี่ยมันจะบวชได้หรือบอกกับพ่อแม่นะได้ได้ได้นะ่นานไปบานามาตเข้าไปเชื่อไหมคืนนั้นนอนนอนที่ไหนเขอพอตื่นขึ้นมาเนีน่ยถามหลวงพี่แดงอาจารย์แดงได้ ที่วัดอาจารย์อะไรตื่นขึ้นมาหมานอนรอบหมดเลยชุดขาวนี้เป็นชุดแดงนะไม่ใช่โอ้โหตื่นขึ้นมาเฮ้ยทําไงวะเนี่ยไม่อยากบวชแล้วพอมันหมิดหมดฤทธิ์แล้วไงหมดฤทธิ์แล้วมึงรับปากแล้วรับปากกัแล้วต้องบวชนะลูกผู้ชายนะเอาสักทีหนึง่งนะะบวชไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็สึกกันละนะ มันเสียคำพูดนะก็เลยนี่แหละเล่าพาดีอืมเล่าพาดีเจ้อาอาวาสบอกโอ้วัดกูจะมาเดือดร้อนหรือเปล่านะ้อวัดกูจะมาแตกหรือเปล่านะ้อนะเจ้อาอาวาสก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่ารู้ประวัติเราดีนะเจ้อาอาวาสก็ขัดไม่ได้อ่บวชเป็นบวชนะพอบวชเสร็จปุ๊บบวชเนี่ยเข้ามาเพิ่มนี้ มันไม่อดเล่าได้ขอบวชประมามันมันมีขอบมีเขตไงก็คื อ, โ, อ โ, ห โ, หโหอย่างนี้เลยนะสัน่นนะงงๆงักเลยเป็นงื้งงักงนะสามวันเนี่ยกินข้าวไม่ได้เลยนะแล้วมันสวยตอนตอ น, ตอนวันที่เราไปบวชอุปชานี่โอ้โหไม่กล้าหันหน้าห น, นีเรืองอุปชานี่นะอุปชานี่อื้ ม, ม, ม, มกินนิดสุดๆเลยยังสะงอกสะแ ง, งกอยู่เลยนะไปบวชอนะ ไม่หมดเลยนะตอนเช้าถอนเบียร์ไปอีกนะเป็นนาคนะเอาไปสุดๆเลยนะอุปชาวยางงี้เลยหลวงพ่อทูนเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วนะปู่มาได้ยังไงวะเนี่ยนะอ่ะบวชเพราะว่าอ่ะบวชเสร็จกลับมาก็เิ่มาเริ่มพอมาเริ่มบวชแล้วมันเริ่มสวยนะเนี่ยเหมือนเอาอักอนะตื่นเช้าขึ้นมาใครคงจะมีอาการเหมือนกัน มีอากันเออเอก้าวพากันนะอ่ก็เลยพอเริ่มสามวันเนี่ยมันเริ่มสั่นนะเริ่มสั่นนั่นไปนัมาพอวันที่สี่ที่ห้านะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเออมันเริ่มนิ่งได้มือก็เริ่มแต่ก่อนเขียนหนังสือไม่ได้มันสั่นถ้าถ้าถ้าได้ถอนเออนิ่งเลยถ้าไม่ได้ถอนนึอย่างนี้เลยนะเขียนหนังสือไม่ได้นะเริ่มเริ่มเสื่อม เพราะว่ามันกินมากช่งนั้นกินมากแล้วก็เริ่มจำจำจาหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ออจำหน้าได้จำชื่อไม่ได้เริ่มเริ่มมันเสื่อมอ่ะมันกินมากแล้วก็ยาเนี่ยมวนต่อมวนมวนต่อมวนมวนต่อมวนบุหรี่นะก็เลยบวชข้ามาวางแผนอะไรรู้ไหมเข้ามาก็มาวัดปฏิบัติกันแต่แต่ก็ไม่มีใครสอนเหมือนเราแบบนี้ก็บอก อพอยกมือสร้างจังหวะพอดีบวชได้เข้ามาในสายหลวงพ่อเทียนเลยแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราแบบแบบนี้ก็คือให้พอทำเปลนแล้วก็ให้ทํากันเอายิงไอ้เราก็ยกไปกับพูดโทโยกกับพูดโทกลัวมันไม่รู้นาะยกพูดโทเข้าออกพูดโทอยู่นี่แหละก็เราไม่รู้ว่าถ้ายกเฉยเฉยนี่มันจะรู้สึกตัวหรือเปล่ากลัวมันไม่รู้สึกตัวก็ใส่ตัวพูดตัวโทไปด้วยอืมแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะแต่เราก็ทําอดทนทำํำ แต่ที่มันอดทนทำเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในภาษามันสึกไม่ได้ครนี้พอเริ่มฤทธิ์สุลาเริ่มคายเริ่มเริ่มออกกัแล้วมันมีความคิดกลับมาวางแผนฆ่ายอย่างเดียวออกไปนี่มึงตายนะเปิร์นกูอยู่ตรงไหนอืมนะจะฆ่ายังไงให้สมแขนมนะจะยิงยังไงให้มันสมแคนนยิงตั้งแต่หัวลงมา ให้สุดเลยนะวางทิ่นะวางแขนข่าเฮ้ยยังไม่หายแค้นว่ะมันยิ่งกว่านี้นะโอ้มันคิดอย่างเดียวคิดฆ่าอย่างเดียวนะยกมือไปกับฆ่าอย่างเดียวฆ่าฆ่าฆ่ามันไม่ได้ฆ่ากิเลสนะมันไปฆ่าโน่นน่ะฆ่าเขาโน่นน่ะฆ่าคู่วอริเราโน่ะยกมือไปกับฆ่ายกมือมาฆ่าอย่างเดียวเลยโอ้ยกมือไม่ได้เลยครั้นี้มันไม่ได้ฆ่ากิเลสอันนี้เรามายกนฆ่ากิเลสนะ มันมันยกวีสองยกไงยกค่านะครัวอริเราอันนี้เรามายกเพื่อค่ากิเลสเนี่ยยกมืออันนั้นมันยกที่ไหนมันค่าทุกทีเลยมันนึกถึงหน้ามันค่าอย่างเดียวนะนั่นไปแล้วมาก็โอ้โหอยู่ไม่ได้เลยบวชขมายทำไมทุกขนาดนี้นะยาสูบนี่สูบสูบสูบ ส, สนะกาแฟนี่กินแทนน้ำเลยใส่กาเลยกาแฟเนี่ยนะใส่กาเลยเนะ ก็คือมันแล้วพอดีนะี่ยเขามีงานพอดีถ้าไม่มีงานเนี่ยตายแน่เลยในภาษานะั้นมีงานสร้างวิหารพอดีเราก็เป็นช่างทํางานเออมาทํางานเือมันก็ไม่คิดวนะ่าพอเรามาทํางานมันความคิดมันก็เริ่มมาอยู่มันมาอยู่กับงานก็เลยมันก็เลยค่อยอยืชั่วหน่อยเราก็เลยทําแต่ ง, งานเลยคันนี้ทํางานเดียวการปฏิบัติก็ไม่เอาละพราะว่ายกมือที่ไหนมันฆ่าทุกทียกมือที่ไหนฆ่าทุกทีเดินจงกองฆ่าทุกที มันสู้ความคิดไม่ได้เราเราไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีที่จะแก้ความคิดอ่ะออกจากความคิดไม่ได้แต่มันทํางานมันมันมันก็ช่วยระงับได้ก็คือเรามาทํางานทํานูน่ทนทํานี่ทำจ่าปูนมั่งก่ออิดบ้างแต่จะทํางานอย่างเดียวส ร, สร้างนู่นสร้างนีน้ทํานู่นทํานี่อ่ามันจะช่วยเราได้ช่วงนั้นอ่ะคือมันจะสะสมไม่มากนะพอออกภาษาปุ๊บมันวางแผนเสร็จพอดีอ่านะ สึกออกไปนี้ไม่เหลือแน่นะพอดีเราคิดว่าก่อนจะสึกบวชเข้า ม, ามัน่อนทำไมถึงทุกข์ขนาดนี้แล้วมันมีอีกไหมเนี่ยมันมีดีกว่านี้ไหมก็เลยไปถามอาจารย์ถา ม, ามอาจารย์วิไลอาจารย์ผมจะสึกนะมันมีที่ไปอีกไหมมีที่ดีกว่านี้อีกไหมที่ปฏิบัติแล้วมันไม่ทุกขนะ์น่ะอาก็บอก มันมีที่ไหนที่จะไปได้บ้างพอดีสายลงพ่อเทียนมีสายลงพ่อเทียนเข้าไปปฏิบัติหลวงพ่อมหามีโยมพุทธโยมสนานไปจัดที่จันบุรีที่อำเภอแหลมสิงห์แต่เขาบอกว่าต้องมีข้อแม้ก่อนที่จะไปสายลงพ่อเทียนต้องมีข้อแม้ทางนั้นไปไม่ได้หนึ่งเลิกยาสูบโอ้โห เออกจากกราฟมาจะให้เราเลิกยาสูบอีกตายแน่เลยเว้ยสองกาแฟโอ้โหของชอบทั้งนั้นเลยของชอบทั้งนั้นเลยทําไงเนี่ยอืมนะคิดว่าปะ่ะชีวิตเราเนี่ยมันคุกขยิ่งกว่านี้มามันจะยังทุกข์ได้น้ำภาษาอะไรก็แค่นี้นะมันตัดสินใจเลยเอ้าเลิกเป็นเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้หรอกก่อนที่จะไปนี่เตรียมหอยาหอบบลิมมเลย แต่แต่ละบปากอาจารย์นะคนเลิกแต่ก่อนจะไปนิดเยียมหอยาหอบเริ่มแต่เป็นมันเป็นยาชุนนะเพราะว่าบุรีกลัวมันจะซื้อไม่ได้นะกลัวจะฝากกขาซื้อไม่ได้หอยาชุนไปนเลยใสยก่ก้นๆถุงยามไปไปพอไปถึงนะโอ้โหตายนี่ยมาเหมือนพวกเราวันใหม่เป็นไง วันใหม่เนี่ยอุ้ยวุ่นวี่วุ่นวายอุ้ยกูจะทำหน้าหรือแบบนี้มันจะสงบยังไงโอ้ยพระก็เยอะพระตั้งแปดเก้าสิบเหมือนเท่ากับเรานี่เนี่ยโยมก็เยอะเคาเนี้ยโยมเป็นร้อยโอ้ยแต่มันทําความสงบจะมาทํายังไงโอ้โหข้างนอกก็เสียงบ่กุ้งติดเครื่องกันร่อไปหมดเลยมิจจะบ่กุ้งเสียงเครื่องดังวี่วุ่นวายตายมาทำแบบนี้มันจะสงบยังไงเนี่ยโอ้ยสามวันกลับละ ตอนแรกวันที่สองจะกลับพอดีช่วงใบใๆนะหลวงพอ่อเจอหลวงพ่อพอดีหลงพ่อมหาหามาท่านก็แนะนำเรื่องการปฏิบัติเหมือนพวกเราเนี่ยนะเข้าไปปึ๊บปฏิบัติพ่านพอพาปฏิบัติขึ้มเลยไปที่เมนมีเมนอยู่หลังนึงไปที่เมนเลยตอนแรกพระเก้าสิบรูปนะแปดสิบเก้าสิบรูปวันที่หนึ่ง เหมือนพวกเรานี่ยนะวันที่หนึ่งยังมาครบอยู่ <c oughs> วันที่สองทยอยออกทยอยทยอยทยอยถึงวันที่สี่เหลือพระอยู่สิบสองลูก <c oughs> ของเราดีจังดีนะเนี่ยของเราเนี่ยยังส่วนน้อยนะที่ไปน้อยที่ที่น้อยนะแต่เราเราไม่ต้องคิดอีกวันเดียวให้เต็มที่นะวันนี้นะวันเดียว ผ่านสามวันแล้วคงใสจแล้วผ่านขีดอันตรายได้แล้วนะนะเหลือวันที่ส so ี่เหลือพระอยู่สิบกว่ารูปแล้วก็ติดตามที่ติดตามหลวงพ่อมามีอยู่แค่สี่รูปสี่รูปติดตามหลวงพ่อมาจากพักเกือบร้อยนะก็เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าจะงานนี้จบนะว่าจะเดินทุดงคไปเนี่ยจะมีใครสมัครไปบ้างเนี่ยโอ้โหยากกันนะเนี่ย นะก่อนที่ผมผมเนี่ยเป็นคนที่มันมันทุกข์มากไงคราวนี้มันต่อสู้ต่อต้านกับความคิดกับควา ม, ม่วงพอวันที่สามเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายถ้ามันไม่สงบถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเน่ยมันยังคิดเรื่องนี้อยู่กลับไปศึกอย่างเดียวศึกแลวทำหน้าที่ของเราคือฆ่าอย่างเดียวยังฆ่าอย่างเดียวนะยกมือนะ ผมค์พมาหาก่าคุ้มเราตั้งแต่เช้านะฉันก็ต้มเสร็จเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงคึ่งเอาเลยวันนี้วันสุดท้ายนะมึงจะตายก็ตายนะถ้าไม่ตายมึงก็ต้องกลับไปตายนะบอกมันนะกี่เหลียดไม่ตายมึงก็ต้องกลับไปตายนะกลับไปไม่ตายก็ติดคุกนะตั้งแต่เช้าเลยพอรับก็ต้มเสร็จนั่งมันมีร่มไม้อยู่ร่มมันก็ร่มไม่โตหรอกะนั่งตั้งแต่เช้า ง่วงอ่อไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงอยู่อย่างนั้นแหละคิดไม่มีมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องค่าะผมง่วงไปก็เออคอยยัชั่วหน่อยหลับอะไรหน่อยหนึ่งแต่แต่ไม่ขยับนะแต่ไม่ขยับนั่งท่าเดียวเลยมันแก้หมดแล้วทุกค่าเดินก็ง่วงนั่งก็ง่วงทําอะไรง่วงหมดเลยมันสู้ความง่วงไม่ได้อ่พราะออกจากความตื่นจากความง่วงมาคิดเรื่องเดียวคือเรื่องค่าอืม เอาขอนี้ตั้งใจเลยว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่สามนั่งสร้างตัวไปขอนี้มันมีมาสามตัวเลยเนี่ยไม่ง่วงก็คิดปวดควเนี้ยปวดขาเอาสามตัวเลยขอนี้เอา้ามึงลองดูว่ามันจะเป็นยังไงสามตัวเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปเลยนั่งอยู่ท่าเดียวตั้งแต่เจ็ดโมงครึ้นจนไปถึงสิบโมงถึงสิบโมงมันถึงออ ก, กจากตรงนั้นได้ นั่งปะจางจังหวะไปความคิดมาทางนี้ก็ค่ามาทางนี้ก็เงบงนี้ปวดปวดมากเลยขาแทบหลุดเฮ้ยทำไงยกมืออยู่นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยเรายกมือเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเรายกมือเนี่ยมันไม่ได้ออกมาอยู่กับมือมันออกไปอยู่เนี่ยปวด อ, ออกมานี่องง่วงออกในกคิดข่าอย่างเดียวยกมืออยู่เหมือนกันเนี่ยยกย ก, ยกไปมันไม่อยู่กับมือพอสุดท้ายปุ๊บจิตมันทุกข์มากเลย จิตมันหาทางออกไม่ได้จิตมันหาทางออกมันทุกข์มากปุ๊บคุณมาพอออกมาอยู่ปุ๊บรู้สึกอยู่ที่มือจิตมันออกมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวได้โอ้โหเหมือนเหมือนได้เขาเรียกว่าเหมือนเปลี่ยนโลกใหม่เลยเปลี่ยนโลกใหม่เลยความคิดหลุดออกไปเลยความคิดเนี่ยหลุดความมาคาดพยาบาทหลุดออกไปเลยนะ ความแค้นความมาคาดไปแบบกลายเป็นความสงสารมาแทนความปวดเนี่ยความปวดเนี่ยเฮ้ยมันหายไปไหนอะ่ะปวดเนี่ยง่วงนี่ไ ม, ม่มีเลยครับคนนี้โอ้โ ห, โหคนลุกเลยเกิดปีติเดินทั้งวันเลยวันนั้นเดินก็ไม่ง่วงนั่งก็ไม่ง่วงไม่ได้ฉันข้าวเลยครับวันนั้นไม่ได้ยินเสียงระฆังอดข้าววันนั้นจนถึงเที่ยงคืนวันนั้น เครื่องก็ไม่ได้ยินเสียงมันได้ยินแต่มันมันไม่เข้าไปในถึงใจมันไม่ไปราคาญคนเยอะคนพุกพานเหมือนพวกเรานี่แหล ะ, ละเสียงโลเลโลเลโอเอ๋อโอ้ยดังไปหมดเลยส น, นั่นฟันฟื้นเลยพระเยอะเนาะทั้งโยมทั้งโอ้โหครนี้เออยังไม่ได้เล่าอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องบุหรี่อ่าทำไงผมเลิกบุหรี่ได้พอผมไม่เห็นตัวนี้ปุ๊บหนีนะตอนแรกผมก็ยังแอบอยู่ อืมไปนะหาที่ห้องน้ําก็ไม่ให้สูบนะก็อบอกเราก็แอบไปสูบในห้องน้ําแมงผู้ใดวะสูบยาเหม็นแฉกเลยโอ้โด่าแม่พระเลยในวันนี้เขาเหมิ่นอะยอมอะโยมที่ไปปฏิบัติด้วยกันอะโอ้โหอยนะด่าแม่พระโอ้ยไม่ได้เรื่องละ ทีนี้ไม่ต้องมาตรงนี้แล้วนะมันนี่แอบอยู่นะแต่พอมาวันวันที่สนะี่เนี่ยจัดเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาไม่มีเวลาได้สุกวันละมวลสองมวลนะพอวันที่สี่เอาละวันนี้พอพอเลิกจากทำวัดเสร็จสามทุ่มแล้วนะฟังเทศฟังทรรมเสร็จไปเลยมองหาที่ จะไปทางไหนดีว่าไปห้องน้าก็ไม่ได้นู้นที่มืดมืดบอ่ออุ้งกันนู่นแหละไปเลยคนเดียวก็พกหอยยาไปเออนู้ น, น, นไปฉายส่องไปไปมันไฟอะไรวัแดงบอกแบบบอบแบบบอบแบบเต็มไปหมดเลยรอบเลยขอบตาเฮ้ยเราไปเฮ้ยไปเจอกันโอ้โหมีพวกเดียวกันทั้งนั้นเลย ทำไมใจมันกกงกันขนาดนั้นโอ๊ยตายไปโอ้โหมีตะคอดังนั้นเลยไปอือหือไปเจ้าพรคุณนี่นะนะเอาไปเจอตรงนั้นมันมันก็ไม่กล้าละตอนนี้ไปน้นมาเริ่มเห็นตัวเองแล้วเริ่มเห็นตัวเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่มารลุดจากตรงนั้นมา ก็ยังไม่พอนะพอวันที่ห้าปุ๊บเลิกงานาเลิกจากงานโลงพ่อมาหาบอกว่าอาใครจะไปต่อเราก็สมัครเลยสมัครครับก็บอกว่าบอกกับอาจารย์ทางวัดบอกตรงต่างโลงพ่อสมัรผมจะไม่กลับไปนะครับผมขอไปต่อแต่ช่วงมันออกจากความโกรธความแค้นได้ตรงนั้นมันบอกว่าจะไม่กลับไปอีกในใจนะมันบอกว่าจะไม่กลับไปอีก แต่เราไม่รู้ว่ามันจะไม่กลับไปไหนเราก็มาพอเอาสวัสปุ๊บถึวงพ่อมาเอาขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้หายไม่ได้สูบยามานะเถได้เดี๋ยวผมขึ้นรถโดยสารไปครับหลวงพ่อขนาดจากจันบุรีมาที่ชัยภูมินะจะขึ้นรถโดยสารมาขึ้นรถตู้ฟรีๆไม่เอาอ่ะลองคิดดูสิมีหัวมีหัวก็เลยให้โยมก็ไปส่ง คราวนี้เลือกขึ้นรถก็เฮ้รถขันไหนมันจะสูบยาเลยวะแต่ก่อนรถไอเก้าเก้านะรถรถมีสีแดงนะเก้าเออนั่งสูบข้างหลังเนี่ยข้างข้างหลังเนี่ยได้นั่งข้างหลังนี่แหละนะมันจะกลับไปถึงชายภูมิกี่ทุ่งกี่ยามกระช่างมันขอให้ได้สูบยาเพราะมันอดมาหลายวันนะอดมาหลายวันไปถึงเตย้าซื้อบุหรี่รองใส่ถุงย่ามถึงก็แก่ นั่งร อ, อนั่งรอรถขึ้นไปก็จะถูกไปเห็นเด็กเห็นเด็กกับคนท้องเฮ้ยถูกไม่ได้ไว้เด็กเนาะอายก็อเอาเด็บไปก่อน <c oughs> อมันเริ่มมันเริ่มเห็นตัวเองนะเริ่มเกิดความละอายตรงเนี้ยมันเกิดความละอายเกิดความละอายเริ่มเห็นตัวเองเริ่มมีฮีรีตรงเนี้ยนะแต่ความอดทนเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าทนแบบไหนนะนะ อันนี้พเพราะต้เห็นตัวเองปุ๊บอ้าเจ็บไปก่อนนะพอนั่นนั้นปุ๊บขึ้นรถอ่าเพรรถวิ่งทําถ้าจะจุดอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวลงก่อนลงรถก่อนให้ถึงโคราชก่อนเดี๋ยวค่อยสูบมันก็พักออกมาก็จะจุดวักออกมาก็จะจุดอยู่นั่นแหละแต่ไม่กล้าจุดเอ่มันดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยดึงกันไปดึงกันมาพอพอมาถึงบอ่อข้าวบ่บอข้าวโคราช ตรงรถปุ๊บรีบหาที่เลยตรงไหนวะไอตรงที่ก็นั่งรอรับผู้โดยสารนี่ไม่ไปนั่งนะกลัวเขาเห็นไปนู้น่ะถังขยะเขาตั้งไว้เยอะๆเล ย, ยถังขยะที่เขาทิ้งขยะนะถังใหญ่ๆแล้วตั้งไว้เราก็ไปอยู่ในกลางเลย <laughs> เ อ, อนั่งปุ๊บจะจุดเฮ้ยเปีดนี่วะเฮ้ยพระก็เป็นเปีดได้นี่วะเนี่ยอายละ เห็นพระเป็นเปรตอีกคันนี้เห็นตัวเองเป็นเปรตเออเห็นตัวเองเป็นเปรดเฮ้ยเพราจุดเข้าไปได้หน่อยหนึ่งดับดับดับดับดับดับผบเยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนยังไม่เอาเรามานั่งข้างกองขยะเนี่ยเขาจญาติโยมเขเห็นจะเป็นยังไงเนี่ยเราเป็นพระแบบไหนเนี่ยก็เลยอะเอาไว้ก่อนคราวนี้ขึ้นรถจากนั้นมาขึ้นรถหัวก็ไม่ได้สูบมากะว่า ยังมีเขาวัดทีเดียวนะไปลงแก่งคอหาสูบตรงนั้นก่อนประมาณสองทุ่มมันยังไม่เลิกความพยายามนะกิเลสตัวเนี้ยมันยังไม่ขาดนะขนาดรถเขาวิ่งถึงผ่านหน้าวัดไม่ไปลงหน้าวัดนะกลัวไปสายลงพรนะเทจ้าลงพ่อมาหาไปรออยู่นั่นเข้าไปในวัดกลัวสูบไมป่ได้อีกไปถึงนู่นสองทุ่มถึงถึงแก่งคอไปลงเลยไม่ไปลงหน้าวัดหรอกอีกห้าหกกิโลได้เดินไปก็ได้ มันบอกองั้นนะไม่มีรถไปเดินไปก็ได้ให้ลงไปถึงเอายาเข้ามาขึ้นขึ้นมาจะสูบนั่นไปนั่นมาคนนั้นไปคนนี้มาคนนี้ไาคนนี้ไปอไม่เอาไม่เอาดับไปก่อนดับไปก่อนดึกแล้วอ่มันจุดมันจอจะจุดจอจะจุดเนี่ยจอจะจุดที่ไหนจะไม่ได้ไม่ได้จุดสักสีนะ่ยามวลเดียวแต้นเหลว อ, อะเออ เดียวเลยเอา้าพอไปถึงนู่นตกสามทุมพอดีเจออาจารย์บุญเหลือมามามา ม, า ม, ามานอนตรงนี้ให้ไปนอนที่ดีๆนะเราไม่ไปหรอกเรากลัวไม่มีมีที่ตรงไหนไกลๆหมู่มั่งไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบคนเยอะๆอบอกเขานะนู่นแหละป่าช้านู่นนะป่าช้าก็เอ่ว <c> ะ <oughs> มันจะได้ไม่มีใครได้กิน <c oughs> เออไม่ไม่ได้มีใครได้กิน อพอไปปึ๊บก็เจอไในป่าช้าก็มีอ่ะโกดคัดตีนไปหมดเลยเฮ้ยนั่นไปละมาอ้าดึกแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วอืมไม่ไม่ไ ม, ไ, มไม่สร็พอตื่นมาเจอหลวงพอ่อบอกว่าไม่มีเวลาอเลยครานี่ปฏิบัติยาวเลยครานี่มันก็มายังไม่เลิกล้มความคิดพอวันนั้นปุ๊บวันที่สามออเสร็จปุ๊บมึงวันนี้แหละอืมจะต้องไปหาที่ก่อนป่าช้าเขาเป็นร้อยๆไร่นะ ทานเข้าเสร็จปุ๊บตอนกลางวันทันเข้าเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยเวลากว่าเที่ยงครึ่งเนาะเที่ยงนึงอะ่ะคือมีเวลาแค่หน่อยเดียวอะ่ะไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปตรงไหนก็ไม่เมาะออกไปตรงไหนก็เฮ้ยตรงนี้เดีวก็คนมาเดี๋ยวยี่ตรงนี้ก็คนเห็นตรงนี้ก็ทางนึงไปดูเลยกลางท้องนาเลยออกไปดูกลางท้องนาออกไกลๆนั่นแหละมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งร่มต้นทัสานะร่มเข้าไปที่นั้นเลย เนีไยเงีง่ยขวาเห hey, ้าเขาเห็นเราว่าเราเดินไเราเดินมาถ่ายรานมาถ่ายนะจิเลียนบอกว่าต้องแก้ตัวว่าเดินไปถ่ายไปซ่วมอเ อ, เอ่มันมันมันเกียมเกีย ม, มแก้ตัวไว้ก่อนเลยตะขถังไปทำไมมาบอกไปถ่ายนะท่านบอกไปใส่เลยมวนนั้นใส่ปุ๊บปุ๊บสุดอื้มอ่าชื่นใจเลยเข้าไปครึ่งมวนครับผลผลเป็นยังไงพอลุกขึ้นหัวทิ้มเลยครับ เหงือออกไปรมโอยหน้ามดืดโอ้ยทําไมเป็นนี้นะเหงื่อการออกมืดตึ๊บเลยตายแน่ตายแน่มึงตายแน่ตายแน่นะพอคิดได้โอ้โหยมึงกับกูนะตั้งแต่วันนี้ไปเลิกกันนะ <c oughs> <c oughs> ไปเลยวิวเลยทั้งไปเช็คทังสองบุหรี่ไปแต่หลวงตะแบนยังไม่เลิกนะไปด้วยกันเออลืมพูดถึงสองหลยงตาน เอาไปทิ้ไงไว้ตรงไหนหื อ, หอาถามแล้วเอาไปทิ้งไว้ตรงไหนหนู่นแหละต้นน้ำตาหลวงตาแมนยังกลับไปหายาเราดิษนะหายาสูบอะตั้งแต่บัดนั้นมาเด็ดขาดกับมันเลยตั้งแต่ปีสี่ห้าเด็ดขาดมาเลยนะเลิกเด็ดขาดเพราะว่ามันเห็นตัวเองมันจะทําอะไรทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังเนี่ยฮิริวัตาปานเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้นะ ถ้าเราไม่มีตัวนี้ชีวิตของเรานี่ต่อหน้าพูดดีรับหลังเป็นไงนินทาต่อหน้าต่อหน้าครูบาอาจารย์ยกมือปุ๊บป๊บปุ๊ บ, บ, บพอรับหลังทําไงเอเฮ้อโสดูสนุกสนานเลยนะเหมือนว่าแมวไม่อยู่หนูล่าเริงนะผมก็มาคิดถึงอยู่กับพ่อกับแม่เน่ยพอพ่อแม่ไม่อยู่แล้อมึงสนุกกูละวันนี้นะเหมือนกัน ของเราก็มีพ่อแม่มันล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่สงบส ง, งียมทําพอรับหลังปุ๊บเป็นไงไม่มีความละอายไม่ได้ทั้งต่อหน้า ท, ทั้งรับหลังเราต้องทําให้เสมอต้นเสมอปลายถ้ามันมีหีรีโอตาปะจะทําทชั่วคิดชั่วแค่คิดก็เกิดความละอายนะ้วยังไม่ต้องไปทําเนี่ยอันนี้มันก็คิดเหมือนกันมันจะสูบยาปุ๊บพอมันคิดขึ้นมามันเกิดความละอายพ่อมันเห็นตัวเองเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะ มันจะห้ามเลยตัวที่จะห้ามเรามีอะไรตัวที่จะห้ามเราก็คือสติที่เราฝึกกันนี่แหละมันเกี่ยวกันหมดเลยสติถ้าไม่มีสตินะมันก็จะไม่เห็นตัวตัวที่เราจะทำดีทำชัวนะ่วเราจะไม่เห็นตรงนั้นนะเราจะไม่เห็นตรงนั้นนะอันนี้นะกว่าจะหลุดจ า, จากตรงนี้มาได้นะก็รู้สึกว่าเรา มีความอดทนนะอดทนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อการกระทำของเราที่เราทนต่อกิเลสตัณหาเป็นท่าของมันมาตลอดเรายังทนได้แล้วนัภาษาอะไรเราจะมาทนเนี่ยเพื่อเอาชนะกิเลสเนี่ยเพื่อจะละออกจากกิเลสได้เนี่ยทำไมเราจะทนไม่ได้อันนั้นทางโลกอันนี้พอเราเข้ามาทางนี้ปุ๊บมันมีความคิดเปลี่ยนเลย มาเป็นฆรวะสมึงยังทําได้ดีทําชั่วได้เยอะแยะทําไมมึงจะมาทําดีแค่นี้มึงจะตายเหรอตายให้มันตายตายในความดีมันจะเป็นยังไงลองดูมันก็มีใจที่ฮึกเหเกิมเกิดขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นเอ้าทํานะทําอย่างเดียวทําผมนี่เป็นคนที่มีสติปัญญาน้อยไม่รู้นะความรู้สึกตัวเป็นไงสติเป็นไงอะไรเป็นไงแต่ทาอย่างเดียวทํากูบาอาจารย์ให้ทำทำเพิ่งมารู้ตอนตอนนั้นแหละ ตอนนั้นทํามาหลายเดือนไม่รู้เรื่องนะทาด้วยความคิดแต่พอมาเจอครูบาอาจารย์เหมือนเจอแสงสว่างนะเราไม่ได้แสงสว่างพอได้แสงสว่างปุ๊บเนี่ยเราสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราทําไม่ดีเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นเรื่อมันเป็นครูสอนเราเรากินเหล้ามีอาการเป็นยังไงเราสูบยามีอาการเป็นยังไงเราโกรธมีอาการเป็นยังไง เรามีความโลภมีอาการไปมีความหลงมีอาการเป็นไงเราจะเห็นนะ่ะที่เราเคยทำมาเคยผ่านมาที่เป็นคาราวะญาติโยมนะเราจะเห็นพอไม่เห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังโอ้โหชีวิตนะถ้าไดไ้ไม่ได้มาเจอตรงนี้นะไม่ได้มาเจอครูบาอาจารย์ไม่ได้มาเจอเจริญสติเจริญปัญญาเนะี่ยเราจะไม่สามารถออกจากนารกขุมนั้นมาได้เลยนรกทุกขุมเลยครับผมผ่านนารกไม่ได้อยู่ใต้ดินนะ นรกอยู่บนดินนี่แหละน่ะอยู่บนดินอยู่กับเรานี่แหละนรกอ่ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทุกตลอดถ้าทุกตลอดนี่ตื่นเราตกนรกตลอดเลยกระทะทองแดงก็ตกมาแล้วน่ะกระทะทองแดงอะไรพอมาคิดมากกาะเข้าไปคิดมัมากกอกเข้าไปคิดมัมากกาะเข้าไปนั่นแหละเขาเรียกว่ากระทะกระทะทองแดงกอกเองนะเกาะกาะเกาะทำไมมานอนเหมือนเสื้อเดือนน่ะแหละจะว่าเหมือนหมาก็น่าเกียดนะเหมือนเสื้อเดือน นะอันนี้แหละชีวิตนะความอดทนนะอยู่กับครูบาอาจารย์มันเนี่ยผมจะทนอย่างเดียวนะจะทนสั่งให้ทำอะไรให้ปฏิบัติให้ทำอะไรให้เก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็เก็บจริงๆทําทำจริงๆตื่นทีสามนอนตื่นตีสามนอนสามทุ่มนอกนั้นเป็นเวลาปฏิบัติทั้งหมดเก็บอารมณ์นะทำอยู่คนเดียว อยู่ในที่อยู่ในกุฏิไม่งั้นก็อยู่ในป่าชั้นเวลาเดียวเดียวก็เดียวจริงๆไม่มีนัำปนะนะเอาแบบนั้นอยู่แล้วกเก็บอารมณ์ยาวสามสิบวันเดือนหนึ่งกเก็บอารมณ์ยาวอยู่คนเดียวคือเข้ากรรมาฐานทนอย่างเดียวทนทนทำนะพอเราทำเป็นแล้วเนี่ยมันเหมือน เราอยู่กับกันคนละโลกเลยนะอยู่กันคนละโลกโลกที่เราออกมามันเป็นโลกของเขาเรียกว่าตั้งแต่เราเราอยู่ภพภูมิที่ต่ำลงไปตั้งแต่เปตอสุระเปะสตสเดลฉานสัตว์นรกอสุรกายเนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่กลางเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในมนุษย์เลยแค่เป็นมนุษย์สักหน่อยนึงก็ยังดี อันนี้ที่เราผ่านมาเนี่ยในชีวิตของคารวาสที่ผมตัวผมเองนะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมนุษย์แค่หน่อยเดียวเองแต่นอกนั้นเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานก็ไอเสือนั่นแหละนะเดรัจฉานสัตว์นรกอสุรกายนะอ่าเดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายเปรตก็เป็นมาแล้วเห็นไหมขณะเป็นพระก็ยังมาเป็นเปรตอีกเป็นมาหมดเลยทุกอย่างเลย คบวงจรเลยแต่ว่าพอมาเจอครูบาอาจารย์ได้มาปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแบบที่เราทําอยู่เนี่ยมันสามารถดึงตัวเองขึ้นมาจากกลุ่มนรกกลุ่มนั้นได้ขุมนรกกลุ่มนั้นได้ปเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างยิ่งใหญ่เลยเปลี่ยนแปลงจิตใจก่อนนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงกายเนี่ยให้มันทําอะไรก็ทําให้มันผูกคอตายมันก็ผูกให้มันอดมันก็อดให้มันทําชั่วอะไรมันก็ทําหมดเลยแหละนะ แต่จิตใจเนี่ยมันอยู่ที่ข้างในอยู่ที่จิตใจถ้าเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราได้นะสลัดกิเลสออกนะมันมีอยู่สองทางแบบที่บอกทนต่อทนต่อกิเลสนะทนเป็นทาตรับใช้ของกิเลสแล้วก็ทนที่จะเพียนเผากิเลสเนี่ยที่เรามาเนี่ยเพียนที่จะเผากิเลสนะเผากิเลสฆ่ากิเลสก็ได้ หรีสลัดกิเลสออกก็ได้นะได้หลายอย่างถ้าเราทำตรงนี้ได้นะหนึ่งต้องมีสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะตอนแรกอ่ะเราต้องมีความอดทนก่อนพอมีอดทนแล้มันจะเกี่ยว ก, กันหมดเลยนะมีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่ทันความคิดนะไม่ทําความคิดไม่ทันอารมณ์ต่าง มันจะไม่ทันอะไรเลยแต่เริ่มแรกที่เราเข้ามานี่ก็คือความอดทนพอมีความอดทนปุ๊บสุรัตนขันติคือความอดทนสรุร จ, จัดคือความเขาเรียกว่าความเคารพนบนความส ง, ง่ยมนะก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงมันเองจากคนไม่เคยก้มเคยกราบไม่เคยพูดดีไม่เคยทาดีนะไม่รู้จักที่ต่าที่สูงไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้จกัจ ก, ก มันจะเปลี่ยนแปลงมันเองเลยเปลี่ยนแปลงพอใจเปลี่ยนปุ๊บกายจะเปลี่ยนตามเลยมันจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจากคนที่มีอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายจะเป็นคนอารมณ์เย็นพูดเย็นไม่กระโทกโขกหากจากเป็นคนไม่เคยก้มหัวให้ใครผมนี่ไม่เคยก้มหัวให้ใครนะนะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยมันก้มเลยหมดเลย แม้แต่เนียนก็กลากไดนะ้ขอให้เน้นรูปนั้นนะ่ะเขามีความรู้แล้วก็เป็นครูสอนเราได้นะครูเนี่ย ไ, ไม่จําเป็นจะต้องมาเอาอ่าคนที่นะอ่าที่ที่ที่เราจะไปนับถือว่าเขารู้นะเป็นผู้รู้แต่ถ้าใครเป็นผู้รู้เนี่ยถือว่าเป็นครูละหมดรู้ในสิ่งที่ดีสอนในสิ่งที่ดีให้เราถือว่าเป็นครูหมด แล้วครูที่จริงๆคือประสบประการของเราที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ได้ท่านลองไปดูดิถ้ากินเหล้านะท่านต้องมีอาการเป็นอย่างนี้แหละท่านลองเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านไม่เชื่อลองท่านลองไปกินดูขาดสติขาดสติแล้วเป็นทุกอย่างเลยครับเป็นทุกอย่างเล ย, เ, ยเหมือนผมเป็นมาเป็นทุกอย่างเป็นเสือถึงไสเดือนนีนนะ่อันนี้สรุปแล้ว นะสรุปเนาะมันก็เยอะนะ่ะยาวนะเอาแค่เอาแค่ความอดทนก่อนน่ะพูดถึงเรื่องความอดทนขันติคือความอดทนนะความอดทนเนี่ยผมถ้าม่มีความอดทนนะผมทนต่อครูบาอาจารย์ทนต่อการกระทำทุกอย่างลำบากนะแค่เมื่อปีสี 6, ่หก่ะหลวงพ่อได้เอาผมไปทิ้งไว้ที่วัดถรำเสียงเทียน ท่านก็ไปที่สหรัฐทิ้งผมไปสองปีนะที่นั่นผมก็เป็นพระใหม่ในช่วงนั้นอุปสรรคเยอะแยะมากแต่ที่ผ่านอุปสรรคมาเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติเขามาไล่เราอะไล่ก็ไล่ไปแล้ว เ, เราไม่ได้ไมาเอาอะไรนี่ใช่ไหมไม่ได้ไมาเอาอะไรนทั้งเรื่องกับป่าไม้เรื่องกับชาวบ้านเรื่องอู้เยอะแยะจิปาธะทั้งหมด เรื่องการทํางานพอผมฝึกนะฝึกในรูปแบบเป็นปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนที่ที่เรามาฝึกกันนฝึกในรูปแบบเป็นเราทําในนอกรูปแบบเราจะทําเป็นหมดเลยทํางานเราก็รู้สึกตัวจะเขียนหนังสือจะทําอะไรก็แล้วแต่หนะ้าที่เราทําในหน้าที่การงานเราทำอะไรทำํำนาหรือข้าราชการต่างๆเป็นครูเป็นตํารวจทหารก็แล้วแต่ ถ้าเรามีตัวนี้ไปเนี่ยนะถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวนะสติปัญญาเนี่ยหรือขันติความอดทนเนี่ยเราจะไปทำอะไรก็สำเร็จผลนะเนะี่ยขันติคือความอดกันเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะขันตินะขันติคือความอดทนนะอดกันแต่มันอดมันมีสองอดมีทนมันมีสองทนทนต่อกิเลส ทนเพื่อจะสู้กับกิเลสทนเพื่อจะสู้กับกิเลสนี่ที่เรามาทนเนี่ยทนทำมันเมื่อยมันเพียมันคิดมันง่วงมันทนทนเพื่อจะสู้กับกิเลสทนเพื่อเป็นทาตกิเลสทำงานแต่เช้ายันค่ำยังไม่พอโออีกสามทุ่มสี 4, ทม่ทุ่มเที่ยงคืนทนต่อกิเลสนะเพราะว่าความอยาก อยากมีอยากรวยกับเขาทำแค่กลางวันไม่พอเอากลางคืนอีกนี่ทนต่อกิเลสทนเพื่อจะละกิเลสเพื่อจะเผากิเลสนี่ที่เรามาทำกันมีประโยชน์อย่างยิ่งนะนะตรงนี้นะคือความอดทนความอดทนก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่สติเนี่ยที่เราความรู้สึกตัวนะสติความรู้สึกตัว นะฮิริโอตปะก็ ค, คือความละอายชั่วกลัวบาปนะที่เล่าให้ฟังคือจะทำอะไรทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังนะเราต้องทำให้เสมอต้นเสมอปลายเหมือนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อคืนนะนะคืนวานนะที่ให้ลูกศิษย์ไปหาลักของมานะนะในสํานักนี้นะพอเลี้ยงใกล้จะจบปุ๊บจะได้รับปริญญาหรือว่าได้ รับใบ ป, ประกาศต้องให้ผ่านซะก่อ น, นต้องมาผ่านข้อสอบซะก่อนก็คือให้ไปรักของเข้ามาคนละชิน้นคนละอันอะไรก็ได้เป็นเข็มเล่มนึงเป็ น, นเป็นผลไมา้เป็นหม้อเป็นอะไรที่อยู่กลางไร่กลางนาเอามาคนละชิน้นถ้าใครทำได้แต่อย่าให้คนเห็นนี่แต่อย่าให้คนเห็นแต่อันนั้นเขาไม่เห็นตัวเองว่าเป็นคน เขาก็เรีเอาได้ทำได้รักได้แต่ถ้าเราเห็นตัวเองแล้วนะเราก็เป็นคนนะเราจะไปรักของเขาเอ้ยของเขานะของของเขาเขาก็เราก็เขาก็รักเหมือนของเราเนี่หลนะเขาก็เสียดายเหมือนของเราพอมันเห็นตรงนั้นมันก็ไม่กล้านะอันนี้มันมีฮิริโอตปะก็คือมันไม่กล้าทำชั่วนะแม้แต่คิด นะคิดที่จะทำชั่วแต่ความคิดนี่ห้ามกันไม่ได้นะความคิดนี้ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าตัวที่จะไปดับความคิดนี่ครับความรู้สึกตัวนะไม่ให้มันไปทำใหไ้ไม่ให้มันแสดงออกทางกาย <c oughs> ทางวาจามันจะไปดับกันอยู่ข้างในนะดับอยู่กัข้างในสมมติว่ามันโกรธเนี่ยมันอยากจะตีเขาเนี่ย มันอยากจะฆ่าตะกอนนี้อาตมาบวชในนสลบไปนะใหม่ๆอายุายี่สิบปนะีเนีน่ยในอายุสิบเก้าปีเนะี่ยมันยังเป็นกูอยู่นะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเนะี่ยอ่มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครแต่ตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองเลยชี้หน้าเนนอืมชี้หน้าเนีย น, น, น, นรู้ไหมว่ากูเป็นใครโอแต่เนนมันตัวใหญ่อะ่ะตัวใหญ่กว่าเราเนาะอายุสิบเก้าปีอะ่ะ ปีเดียวใบวชแต่มันบวชก่อนเราคราวนี้เราไปสวดมนต์ตรงไหนตรงไหนมันก็ตามไปหลวงพี่สวดมนต์ยังไงสวดไม่ถูกสวดอะไรไม่ถูกเลยที่เราก็หลบมันไปไปอยู่ตรงเมนพอเราไปนอนสวดอเซวนาจัพรานังมันก็ไปวะหลวงพี่มันไม่ถูกเอานี่นี่มันทำไมรุ่นวี่วุ่นวายนะวะเราออกจากเมนุหนีก็เพึ่งไปที่กุฏิเราพอเราสวดได้หน่อยหนึ่งมันก็ไปวะเปิดประตูเข้าไปเอ้ยขันตินะขันติขันติเป็นขันแตกแล้วคราวนี้นะ เตะเลยถีบเตะถีบติดประตเตะร้องขวางประตูเตะอีกโอ้โ ห, โหมันไม่รู้สึกตัวเลยลองคิดดูแต่เขาก็ไม่กล้าเอาเรื่องกับเรามึงเพราะว่าเขาชี้หน้าแล้วะวันนี้เป็นวันตายของมึงเนรมันบอกนะเนีน่รวันนี้เป็ น, ป น, ปนวันตายของมึงมึงรู้ไหมว่ากูเป็นไคร <laughs> มึรู้ไหมว่ากูเป็นไคร <laughs> พอตกเย็ยนมาปุ๊บ มาเลยวเวนนขันดอกไม้มาเลยขันห้หลวงพี่ครับผมผิดไปแล้วครับเออดีที่รู้ว่าเป็นผิดถ้างั้นตายแนย่นะเพราะว่าเขาเพอเารุประวัติแล้ ว, ลวเนี่ยรู้ประวัติเราทุบเขาเปลี่ยนใจเลยเราไม่ตายแล้วมันจะตายก็เลยว่า ต้อมามาขออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีหลังยังมายุ่งกับหลวงพี่นะะตอนเวลาหลวงพี่สวดมนต์ทำอะไรพิดก็เรื่องของหลวงพี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาสอนหลวงพี่เราแบบ <c oughs> <c oughs> ขนาดนั้นนะมันเป็นขนาดนั้นไม่รู้จักตัวเองเลยะดูแต่คนอื่นคนอื่นเนี่ยชั่วหมดพวกท่านมีไหมมีเหมือนผมไหมมีเหมือนผมมีเหมือนกันคนเราเนี่ยความชั่วตัวเองเนี่ยไม่กล้าเปิดเผย คนที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเปิดเผยความชั่วของตัวเองมันสำรอกออกมาสำรอกออกมาหมดเลยสิ่งที่ไม่ดีมันล้างออกมาเลยล้างล้างล้างในใจของเรามันจะล้างออกหมดเลยเนี่ยเอาตัวพวกนศีล ส, สมาธิปัญญาเข้าไปมันชิดชั่วเอ้ยมีเอาเลยเราเคยผ่านมาแล้วทําแล้วมันเป็นนี้เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนหมด เราตกนรกคนเดียวพ่อแม่พี่น้องตกนรกกันหมดบวชเข้ามานึกว่าจะมาชุงพ่อจุงแม่ขึ้นสวรรค์แถมชุงพ่อแม่ไปนรกอีกตัวเองไปนรกบวชเข้ามาโอ้โหจะได้เกาะชายพระเหลืองลูกลูกเลยบวชบวชเข้ามาอย่าอนะยังไม่รู้เลยว่าบุญคืออะไรอ่ะศีลคืออะไรบุญคืออะไรแต่ตัวเนี้ยจะทําให้เรารู้ตัวเนี้ยเป็นบุญอันสูงสุดเลย จะทำให้รู้ทั้งหมดเลยศีล ส, สมาธิปัญญาส ต, ติสมาธิปัญญาอยู่นี่รวมกันหมดเลยรวมอยู่ในที่เดียวที่เรามาทำเนี่ยมันจะรู้สวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงนี่รู้หมดบาปบุญคุณโทษนะแล้วจะรู้จักรตญยูกระตระตวเวทีนะหลวงพ่อยังไม่ได้พูดอันนี้หลวงพ่อเขงจะพูดให้ผมเอาพ่อมาบวชพอรู้เรื่องนี้แล้วเอาพ่อมาบวช เออเอาพ่อมาบวชพ่อตอนแรกพ่อก็ตัดสินใจว่าจะมาบวชอยู่กับลูกจนตายพอดีมีงานบอกบอกเออเดี๋ยวกลับไปช่วยงานไปกระจันแดงนี่นะให้ให้พี่เลียงไปหลายๆคนปัญศาหนึงละผ่านหกเจ็ดเดือนแล้วเไปช่วยงานที่เทพปทานอาจารย์วิไลพ่อไปต้องรีบกลับนะรีบกลับนะไปนานไม่ได้ก็ให้ควบคุมดูแลกันไปพอไปถึงเทพปทานที่บ้านเกิด เราดูที่ชัยภูมิแต่ที่ช้างศรืคือครอบครัวที่อยู่นู้นพอไปถึงช่วยงานศสร็จปุ๊บงานเจ็ดวันเนาะงานปฏิบัติเหมือนเราเนี่ยงานในสายงานเช่วยคูบาอาจารย์พอไปถึงช่วงนั้นเราไม่ได้ไปกําลังยุ่งงานก็เลยให้พัคไปกันหลายรูปพ่อไปพอตกตกวันที่ใกล้จะกลับหนาวพอใกล้จะกลับหลานโดยเล็กๆมานิมนหลงตาหลงตานิมนตไปฉันข้าวที่บ้าน หลงตาก็เฮ้จะไปดีหรือไม่ไปดีจะกลับละจะกลับชายภูมิจะกลับมาหาเราก็นั้นไปนะตัดสินใจไปพอเข้าไปบ้านปุ๊บฉันข้าวเสร็จเดินออกไปหลังบ้านโอ้โหป่ายางก็ลกอป่ายางก็ลกยายก็อยู่คนเดียวลูกเต้ามันก็ไปทํางานกันหมดคิดไปขึ้นมาอู้ไม่มีใครทําเนี่ยมันก็ลกมันก็ล้างหมดอี่นั่นไปมาตัดสินใจเลยไม่กลับเลย เก็บเสื้อผ้าอะไรเข้าไปวัดเอา้พาพระกลับมาเอาแล้วยงพ่อเป็นไงไม่เห็นกลับไม่กลับครับ <c oughs> กลับไปศึกเ <c oughs> ห็นไล่เห็นนาเห็นหอะไรโรกล้างเลยตัดสินใจสึกษาแต่ทุกวันนี้ก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วที่ศึอษาไปเพราะว่ามีภาระแม่แม่เป็นเป็นที่เรียกว่าเดินไม่ได้แล้วก็มีมีคนดูแลนะมีมีคนดูแ ล, ลต้อง ข้าวน้ําต้องหุงต้องอะไรทุกอย่างโยมพ่อจะหุงข้าวทํากับข้าวให้แม่ให้แม่กินนะแม่ก็ทังก้างเนะีก้างเครื่องอะไรนะต้องมาเอาออกหมดทัรวาตาแก่ไม่ดีเบาหวานแล้วก็เดินไม่ได้นะทุกวันนี้ผมก็พ่ อ, พอแม่มามาดูแลนะแต่ไม่ได้อยู่ในวัดแต่ช่วงไหนนั่นแหะก็มาให้ธรรมะแก่ที่ที่บ้านเพราะว่าจะเดินไม่ได้อยู่ไม่ห่างจากวัดแล้วนะแล้วก็วันพระวันอะไรก็เอาพ่อพ่อก็จะเข้าไปวัด ไปจำศีลไปปฏิบัติวันไหนที่หลานปิดโรงเรียนก็ให้อยู่เป็นเพื่อนยายพางที่ก็รับเขาไปในวัดก็ดูแลเพราะว่าพ่ อ, พ อ, พอแม่ก็ได้เอามาปฏิบัติธรรมพ่อก็ไดเอามาปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะคอยดูแลว่าท่านขาดอะไระท่านขาดอะไรแล้วก็มีอะไรที่จะให้เราช่วยก็พยายามทุกอย่างจะดูแลให้ท่านดูอย่างไม่ลําบากจนเกินไป นะก็ถ้าเรารู้จักกัตัญญูกัตเวทีรู้จักพ่อจักแม่รู้จักคุณของกูบาอาจารย์นะยังผมกับผมเองเนี่ยถ้าผมไม่มาเจอหลวงพ่อมาหาผมก็เหมือนลูกคนหนึ่งเป็นลูกพ่อคนหนึ่งนะที่มีอะไรจะต้องพ่อให้ช่วยอะไรหรือว่าพ่อเราอยู่ยังไงเป็นยังไงเราต้องมาดูแลท่านเราต้องมาช่วยท่านไม่ใช่ว่าลูกเอ้ย พ่อมีงานนะไม่ช่วยอันนั้นอันนี้หน่อยต้องให้พ่อตามงาะต้องให้พ่อคอยเอาใจเราทุกอย่างนะไม่ใช่เราต้องดูห่างๆว่าพ่อของเราแม่ของเราเนี่ยท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราบ้างนะเราจะช่วยท่านทุกอย่างนะในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเรายังมีชีวิตอยู่ท่านอยากได้อะไรอยากอย่างพ่อแม่ของเรานะที่เราเกิดมาอั น, น, นพ่อแม่ มาเกิดเก้านะที่เราได้เกิดมาเราก็รู้จักคุณของท่านก็เลี้ยงดูท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วตายแล้วจะมาบวชจงศพโอ้โงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์อาตมารือผมอยู่ที่ชัยภูมิผมโดนชาวบ้านเขาเรียกด่าเลยมันรูดีมาจากไหนว่าทำไมถึงมานันเขามาขอบวช เป็นญาติธรรมด้วยกันตายลูกเขาจะมาบวชมันยังเดินหน้าเจ็ดเก้าต่อยหลังสามเก้ามันจะมาบวชจุงพ่อบอกมึงยังไม่รู้จักบุญเลยมึงยังตกนรกอยู่เลยมึงจะไปบวชให้พ่อมึงจะจุงพ่อมึงขึ้นสวรรค์ได้ยังไงแต่ผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นเขาจะให้ลูกชายเขาบวชอตาตมาให้ไม่บวชเพราะมันเมานะเขาก็เลยว่าอตาตมาไปขัดเขา เพราะว่ า, าตามมาญาติธ ร, รมอย่างตสุดก็นนะเป็นเป็นญาติธรรมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำท้ายยกท้ายกก็มาเลยนะ mm hmm. เขาก็เลยว่ า, าตามมาเป็นคนว่าชอบไปขัดเขาแต่สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ขัดนะให้มันถูกต้องนะไม่ใช่ว่าตายแล้วจะมาบวชตรงพ่อจุงแม่นะ่ะไปเมนไปขึ้นสวรรค์นะไม่ใช่นะเรายังความเป็นพระเนี่ยเป็นพระโดยสมมติเนี่ยเป็นง่ายนะนะมันคือพวกเราบวชเนี่ยที่ผมบวชเนี่ย ง่ายบวชง่ายแต่อยู่เหมือนพระเนี่ยหรือทำตัวให้เป็นพระเนี่ยปฏิบัติให้เป็นพระจริงๆเนี่ยยากต้องมาทำเหมือนเรานะทำแบบเนี้ยทาแบบนี้เพื่อชำระกิเลสชำระกิเลสชำระสินที่มันด่างพ้อยนะถึงเรารักษาสินสองรอยี่สิบเจ็ดแต่ถ้าเราไม่ไม่มีสติ นะสัมปชัญญะมีสรุรจจะนะนะมีฮิริโอตะปะมีขันติสรุรจจะเนี่ยโอไม่ได้เลยนะอันนี้นะก็ขอสรุปนอ้องก็ถึงเวลานะ่าจะจิตโมงแล้วก็พูดให้ฟัง่านะพออ่านะเล่าประวัติของตัวเองเนั่นแหละนะการพูดธรรมะถ้าเราจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดก็เหมือนเรานินทาเขาใช่ไหม อันนี้เรานินทาตัวเองดีกว่านะนินทาตัวเองเพื่อนะให้เป็นนะเป็นที่รู้ว่านะเราสามารถทําไดนะ้สามารถทําได้สามารถเปลี่ยนแปลงนะจิตใจของตัวเองไดนะ้แล้วก็จากการที่เราเคยทําผิดนะเราก็เปลี่ยนมาทําถูกซะเราเคยทาบาปก็เปลี่ยนมาทําเป็นทําบุญซะทําเป็นกุศลนะ ทำชั่วอ่าเดี๋ยวขอคำถามอีกนะขอคำถามอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะฟังคำตอบนะทำชั่วกับทำดีนะี่สุบสองทำชั่วกับทำดีอันไหนทำยากกว่ากัน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยความดีเนี่ย ทำง่ายรื้ทำยากฮะความดีทำง่ายรื้ทำยากเออ่าอาอ่าอเออความดีทำง่ายรื้ทำยากขอเสียงง่ายความดีทำง่ายนะแต่ทำไมทุกวันนี้คนไม่อยากทำความดีเนะเป็นบางคนเนาะจริงจรแลนะ้วเนี่ย การทําดีเนี่ยทําง่ายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าละชั่วดีมันก็เกิดละแค่ไม่ทําชั่วแค่นั้นเองดีมันก็เกิดละไม่ต้องไปทําอะไรดีอ่ะแค่เราไม่ทําชั่วแค่นั้นเองง่ายไหมเราคิดอยากจะไปตีเขาไปด่าเขาเราไม่ทํามันก็ดีเลยใช่ไหม mm hmm. อยากจะไปรักของเขาอยากจะไปกินเหล้าเมยาอยากจะไปเล่นกัรพ น, นั้น mm hmm. เราไม่เล่นเราไม่กินจบไหม ดีไหม <c oughs> ดี <c oughs> อบางคนบอกทําความชั่วทําง่ายนะ <c oughs> ง่ายอะไรทําความชั่วเนี่ยสมมติว่าเราจะไปรักของของเขาเนี่ยเราต้องโอยไปนั่งให้ยุงกัดเมื่อไหร่มันจะนอนวะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะปิดไฟวะแล้วไปข้างในมันจะมีคนหรือเปล่าวะไปนั่งให้ยุงกัดพอมาหลับฮิยองยองยอ ง, ยองเข้าไปฮิมันมีอะไรวะข้างในน่ะโอต้องคอยระวังคอยระแวงเลยพอเข้าไปได้ของเข้ามาอา่ารักของอะไรมา เฮ้ยตำรวจจะตามทันหรือเปล่าว่าจับเราเปล่าเขาจะรู้ไหมกินนอนก็ไม่สบายไม่สะดวกลาบากนะเนาะลำบากแต่คนก็ชอบทํานะเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้มาฝึกเหมือนเราเนาะถ้ามาฝึกแบบนี้จะรู้เลยว่าอะไรสมควรทําให้สมควรทําทําง่ายทํำทำทำดีทําได้ง่ายนะทำได้ง่ายกว่าทําชั่วแต่คนทุกวันนี้นะเขาไม่ได้มาฝึกนะไม่ได้มาฝึกไม่ได้มากปฏิบัตินะเขาก็เลยไม่รู้ว่า ทำดีทำชั่วมันก็เลยเลือกไม่ได้นะเออนะอาก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนานะในกุศลปลบุญนะที่พวกท่านนะทุกทุกท่านนะได้เข้ามาประพฤติได้เข้ามาปฏิบัติได้มาบวชให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นสติเป็นปัญญาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนถือ